วินัยมุกเล่มที่หนึ่งพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิยรยนนะวะโรรสคำนำพวกภิกษุเราเป็นหมู่ที่ตั้งโดยหลักฐานมีกฎหมายและคำนดบธรรมเนียมเป็นเครื่องปกครองเหมือนหมู่อันตั้งเป็นหลักฐานอื่นๆ กฎหมายและคำนดบธรรมเนียมของพวกภิกษุเรานี้เรียกว่าพระวินยัยเป็นคู่กับพระธรรมมันเป็นปฏิบัติทางใจรวมทั้งสองอย่างนี้เป็นพระศาสนาเรียกโดยชื่อว่าพระธรรมวินยัยพระวินัยนั้นมีตำนานว่าท่านพระอุบาลีเข้าใจมากได้ศึกษามาแต่สำนักพระศาสดา พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอตัะกะคือเป็นยอดแห่งภิกษุผู้ทรงพระวินัยไม่มีภิกษุอื่นเทียมถึงเมื่อพระศาสดานิพพานแล้วในพรรษานั่นเองประเถ ร, ระทั้งหลายมีท่านพระมหากรสปักเป็นประธานประชุมกันทำสังคยนาวางแบบแผนแห่งพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักนกรลงราชครพระนครหลวงแห่ง แคว้นมคตในการสังคยนานั้นท่านสังคยานาพระวินัยด้วยส่วนหนึ่งแต่ถามขอให้ท่านพระอุบาลีวิสัชนาแล้ววางเป็นแบบทรงจําเล่าเรียนสั่งสอนกันมาโดยปากหลายชั่วอายุหรือล่วงหลายร้อยปีแต่พุทธปรินิพานกว่าจะได้จารึกลงเป็นอักษรในระหว่างนั้นก็เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นเป็นคราว พระเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ประชุมกันวินิจฉัยลงเป็นแบบนำสืบกันมาแบบอันพระธรรมสังฆาหากะทั้งหลายได้วางไว้นั้นเรียกว่าบาลีนับถือกันว่าเป็นแบบดั้งเดิมจำมาไม่คลาดเคลื่อนทั้งท่านผู้ทำในครั้งแรกก็เป็นพระมหาสาวกในยุคพระศาสดาเป็นผู้มีปรีชาแตกฉานในพระศาสนา เป็นพระอาหารหันต์ผู้บริสุทธิ์ปรกรณ์ที่พระอาจารย์ทั้งหลายในภายหลังรจนาแค่อัดแห่งบาลีนั้นเรียกอัทธกถานับถือคลายลงมาจากบาลีเพราะเป็นปรกรณ์ชั้นที่สองแต่ท่านผู้รจนาเป็นผู้รู้พระพุทธวจนะจึงยังเป็นที่เชื่อฟังปรกรณ์อันพระอาจารย์ทั้งหลายแต่งแก่ หรืออธิบายเพิ่มเติมอัจฉริาเรียกดีกาที่เพิ่มดีกาเรียกอนุดีกานับถือน้อยลงมากว่าอัจฉริาถือเป็นเพียงมติของอาจารย์ผู้รจนานประกรณ์ที่แต่งขึ้นตามความปรารถนาของพระอาจารย์ทั้งหลายไม่อยู่ในสายนี้ถือเป็นเพียงอาจริยวาทอย่างหนึ่งหนึ่งโดยทางพิจารณาสอดส่อง ได้ความเข้าใจว่าในการสังคายนาครั้งแรกคงเป็นเพียงพระสงฆ์ประชุมกันไต่ถามสอบสวนกันถึงคำสอนของพระศาสดาทั้งในส่วนพระธรรมทั้งในส่วนพระวินัยข้อใดได้ความรับรองทั่วไปหรือโดยมากก็ถือเอาข้อนั้นเป็นที่เชื่อฟังได้นำสืบกันมาในคราวหลังๆเมื่อเกิดเข้าใจแผกกันขึ้นว่าอย่างไรถูก หรือต้องการอธิบายข้อความอันอย่างไม่แจ่มพระเถระพู้เป็นประธานในครั้งนั้นก็ประชุมกันทำสังคยานาวินิจฉัยแล้ววางเป็นแบบสืบลงมาอีกเป็นคราวๆกว่าจะได้จารึกลงเป็นอักษรจึงเป็นทางที่รจนาและอธิบายได้กว้างขวางกิริยาที่นำพระศาสนาสืบลงมาด้วยไม่ได้จารึกลงเป็นอักษรนั้น มีตัวอย่างที่แลเห็นอยู่ใกล้ๆคำนบธรรมเนียมของพวกธรรมยุติกาเรานี้เองตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จ พ, พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวดจนบัดนี้60ปีเศษล่วงไปแล้วนำสืบกันมาด้วยประพฤติตามกันไม่ได้จะรึกลงเป็นอักษรเลยยกไว้แต่หนังสือพระวินัยหนังสือพระธรรมและคำมรคที่จะต้องท่องบท พระบาลีที่ว่าเป็นของดั้งเดิมเป็นหลักฐานเป็นของบริสุทธ์นั้นปรากฏชัดว่าไม่เป็นสำคัญจริงดังที่นับถือกันมาเป็นของที่รันนาเพิ่มเติมเหมือนกันดังจะชี้พอเป็นตัวอย่างบาลีปฏิโมก์ที่เรียกว่าบทมาติกาในพระสูตรว่ามีสิขาบท150คือไม่มีอนิยตกับเสกียวัตนี้เป็นของเติมทีหลัง แต่ครั้งรจนาบาลีพระสูตรนั้นในบาลีวิพังแกอัดแห่งสิขาบทมาในปาติโมกกล่าวถึงของเจดีนี้บ่งชัดว่ารจนาเมื่อภายหลังครั้งมีเจดีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงมีผู้ถวายของในคัมภีขันธ ก, กะกล่าวถึงทำสังฆนานครั้งแรกและครั้งที่สองบอกชัดอยู่แล้วว่า เพิ่มเติมกันต่อมานอกจากนั้นยังมีวิธีสอนให้ปฏิบัติในเมื่อสงแตกกันเป็นสองฝ่ายนี้ไม่ใช่พระพุทธจัญยาเลยอันา ส, สดาควรจะสมานสาวกผู้แตกกันไม่ควรจะตั้งพระบัญญัติเปิดช่องให้แตกกันนี้เห็นได้ว่ารจนนาขึ้นครั้งหลังเมื่อสาวกแตกกันแล้วกล่าวโดยเจาะจงเพิ่มเข้า เมื่อพิสษุพวกมหาวิหารกับพวกอาภัยคียรีวิหารในลังกาแตกกันแล้วกระมังกิริยาที่รจนาไม่ปรากฏว่าเป็นของท่านผู้บริสุทธิ์มีสติภัยบู์เพราะแลเห็นความสะเพร่าปรากฏอยู่ดังจะชี้พอเป็นตัวอย่างบาลีวิพังนั้นท่านผู้รจนาไม่แน่แก่ใจว่าจะเรียงเป็นพระพุทธภาษิต หรือเป็นคำของตนเองเรียงกวัดแกว่งไม่สมต้นสมปลายข้อที่สะเรราอย่างยิ่งนั้นแก้สันถัดเก่าว่าเป็นของที่นุ่งห่มแล้วแม้คราวเดียวสันถัดเป็นของสำหรับรองนั่งนุ่งห่มไม่ได้สีก็ไม่ใช่สำหรับอย่างนั้นเหตุไฉนจึงแก้เช่นนี้จับได้ว่าแก้จีวอนเก่ามาก่อน ว่าเป็นของที่นุ่งหมแล้วคราวเดียวมาถึงวาระแก้สันถัดเก่าไม่ทันพิจารณาหลอกเอามาจากข้างต้นจึงเป็นเช่นนี้ยังมีคำพิรุธอีกมากกล่าวไว้ในหนังสือนี้บ้างก็มีส่วนอัตรกยาและดีกานั้นไม่จำปรารอกถึงในที่นี้นักเพราะเป็นแต่อาจารยยวาดฟังได้หรือไม่ได้ต้องอาศัยความพิจารณา พระวินัยที่นำสืบ ก, กันมาช้านานด้วยปากก็ดีโดยจะลึกเป็นอักษรก็ดีย่อมมีข้อเข้าใจผิดเข้าแทรกแซงอยู่เป็นธรรมดาตามคราวที่พระอาจารย์ผู้เข้าใจผิดรัจนาเข้าไว้ครั้งยังทําสังคยานาอยู่ข้อผิดเหล่านี้อาจลบล้างได้ตั้งแต่จารึกลงเป็นอักษรแล้วข้อผิดเหล่านี้ก็ติดอยู่ในประกรณ์ไม่มีใครได้ลบล้าง สังคข ย, ยนาที่ว่าทำครั้งหลังๆโดยเอกเทศเข้าใจว่าเป็นเพียงแต่ชําระอักษรผิดแก้ให้ถูกเท่านั้นหนังสือที่แต่งกันในภายหลังท่านผู้รจนาไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาถือเอาความว่าเป็นอย่างไรเป็นแต่ถ่ายความในมคตภาษาออกเป็นภาษาของชาติจัดระเบียบตามความพอใจของท่านตัวอย่างเช่น ปุพสิขาวันน า, นาความฟั่นเฟือแห่งพระวินัยทำให้เกิดผลเป็นสองทาง 1. ยังผู้ไม่เคร่งไม่ให้มีแก่ใจเพื่อจะปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในการปกครองภิกษุบริษัทให้เรียบร้อย 2. ยังภิกษุผู้เคร่งครัดให้หลงถืองมงายสำคัญว่าตนดีกว่าผู้อื่นตั้งรังเกียจผู้อื่น เพราะเหตุเล็กน้อยเพียงสักว่าธรมเนียมก็ได้ทำความรำคาญให้แก่ตนเองในเมื่อจะต้องเข้าสมาคมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ยังผลคือความสบายใจให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติสมคำว่าพระวินัยมีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอานิสงกลับจะได้ผลตรงกันข้ามคือวิปฏิสาร ข้าพเจ้าปรารเพระวินัยอันเป็นมาอย่างไรดังกล่าวแล้วมีความสลดใจจึงคิดรันาวินัยมุกเล่มนี้ขึ้นเพื่อจะชี้ประโยชน์แห่งพระวินัยให้เพื่อนสาธมิกเห็นแม้ฉไหนจะได้ตั้งอยู่ในปฏิบัติพอดีพองามผู้ไม่เคร่งจะได้รู้จักสำรวมรักษามา ร, รยาทสมเป็นสมณฝ่ายผู้เคร่งครัดเกินไปจะได้ห่ายงมงาย ไม่ถือดีดูหมิ่นผู้อื่นหรือแม้ชักนำผู้อื่นในปฏิบัติอันดีต่างจะได้อานิสงค์คือไม่มีวิปติสารเพื่อกันความฟั่นเฟืออึดอัดใจเพราะเห็นอาบัตมากมายก่กองเหลือที่จะหลีกเลี่ยงให้้นข้าพเจ้าถือเอาหลักมาในบาลีที่แบ่งพระวินัยเป็นสองคืออาทิพ ร, รมจริยกาสิขาแปลว่า ข้อศึกษาเป็นเบื้องต้นแห่งพระมรรจัร์หนึ่งอภิสมาจาริกาสิขาแปลว่าข้อศึกษาเนื่องด้วยอภิสมาจาร์คือมรรยาทอันดีหนึ่งมาตั้งเป็นกระทูแห่งประกอณนี้และอธิบายความตามกระทูนั้นเล่มหนึ่งว่าด้วยพระพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งไว้โดยเป็นพุทธานาจัดว่าเป็นกฎหมายยกเป็นสำคัญ สงสวดทุกกึ่งเดือนเรียกว่าพระปัติโมกเล่มสองว่าด้วยอภิสมาจารที่ส่งบัญญัติหรืออนุญาตไว้โดยฐานเป็นคำนธรรมเนียมอันดีงามไม่ได้ส่งเคราะห์เข้าในพระปฏติโมทั้งสองเรื่องนี้มีวิภาคษเป็นอย่างไรมีแจ้งอยู่ในบัญชีเรื่องต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอแสดงตนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสใน กาลามสูตรในติกนิบาตอังคุตรนิกายที่ท่านอ้างว่าเป็นพระพุทธภาษิตตรัสแก่ชนกาลามโคตเชาวเกสปุตตนิคมในโกศลัดในพระสูตรนี้ตรัสสอนพวกกาลามะไม่ให้เชื่อถือโดยอาการสิบอย่างอันไร้จากเหตุให้พิจารณาด้วยตนเองเห็นว่า อย่างไรผิดก็อย่าให้ถือเอาอย่างไรถูกจึงถือเอาในอาการสิบนั้นจะกล่าวเฉพาะข้อเดียวคือตรัดห้ามไม่ให้เชื่อถือตามตำรับตำรานิสัยของข้าพเจ้าจึงไม่เชื่อคำที่กล่าวไว้ในประกา์ทั้งหลายได้ไปเลือกเชื่อแต่คำที่สมเหตุสมผลทั้งได้พบว่าประกรเหล่านั้นเป็นอย่างไรดังกล่าวแล้ว จึงไม่ฟังเอาเป็นประมาณโดยส่วนเดียวตั้งหลักแห่งการรัจนาไว้ว่าข้อที่พิจารณาได้สมเหตุสมผลจึงจะถือเอาเป็นประมาณข้อที่พิรุดก็ต้องค้านติ่งไว้ไม่ว่ามาในบาลีหรือในอัถกถาและแสดงมติของข้าพเจ้าไว้บ้างเพื่อเป็นทางดําริของนักวิไนข้าพเจ้ามุ่งความเจริญแห่งความรู้เป็นที่ตั้ง ถ้าน้อมใจเชื่อเป็นยานวิปยุติแล้วความรู้ย่อมไม่เจริญเลยในการรจนาหนังสือนี้ขปเจ้าได้อาศัยปุพภสิกาวนานาเป็นอย่างมากเพระท่านผู้รจนาได้เลือกจากประกรทั้งหลายมารวบรวมไว้ในเรื่องเดียวทั้งความมุ่งหมายของขปเจ้าก็เพื่อจะแต่งแก้ปุพภสิกาวนานาเหมือนเป็นดีกาของหนังสือนั้น บุรณะข้อที่บกพร่องและแก้ข้อที่ผิดให้สำเร็จประโยชน์จึงต้องใช้นังสือนั้นเป็นเครื่องมือจะถือว่าเก็บข้อความในผูปสิกาลวรรณานั้นมาเรียงเข้ารูปใหม่ก็ได้ข้าพเจ้าขอแสดงความระลึกถึงอุปการะของท่านพระอมราพิรักิตอมรเกิดเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสผูรณาหนังสือนั้นอันหนึ่ง ข้าพเจ้าขอขอบใจพระธรรมไตรโลกาจารยาณวรเจริญเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสผู้เป็นคู่ปรึกษาของข้าพเจ้าทั้งได้ช่วยค้นที่มาแห่งข้อที่ต้องประสงค์ให้ด้วยและขอขอบใจพระมหาอุปคุตโตอาบวัดบวรนิเวศวิหารสัตว์วิหาริกของข้าพเจ้า ผู้ช่วยร่างในเวลารันาข้าพเจ้าอุทิศน้ำพักน้ำแรงแห่งการรันาวิญญามุกเล่มนี้บูชาท่านบุรพาจารย์ผู้บริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมาตลอดถึงพระอุปชาพระอาจารย์ผู้สั่งสอนข้าพเจ้าให้เข้าใจพระธรรมวินยัยได้ความรู้มารันาประกรนนี้แลกรมวชิระยอนวโรรส วัดบวรนิเวศวิหารวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช 2,456